มีประภาคทรงเฉลยปริศนาธรรมพระผู้มีประภาคตรัสตอบว่าภิกษุ 1. คำว่าจอมปลวกนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาพุทธ ร, รูปทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเติบโตด้วยข้าวสุกและขนมกลุ่มมาศไม่เที่ยงต้องบริหารต้องนวดฟันจะต้องแตกสลายและกร ะ, ะจายไปเป็นธรรมดา 2. องคำว่าอย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืนนั้นได้แก่การที่บุคคลทำการงานในเวลากลางวันแล้วตรึกตรองถึงในเวลากลางคืนนี้ชื่อว่าการพ้นควันในเวลากลางคืน 3. าําว่าอย่างไรชื่อว่าการลุกโพล่งในเวลากลางวันนั้นได้แก่การที่บุคคลตรึกตรองถึงบ่อยๆในเวลากลางคืนและประกอบการงานในเวลากลางวัน ด้วยกายและวาจานี้ชื่อว่าการลุกพโพลงในเวลากลางวันสคําว่าพราหมณ์นั้นเป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหําว่าสุเมตนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้เป็นเสกขะ 6. คําว่าศัสตรานั้นเป็นชื่อแห่งปัญญาอันประเสริฐ 7. คําว่าจงขุดนั้น เป็นชื่อของการปราบรบความเพียร 8. คําว่าลิ่มสลักนั้นเป็นชื่อแห่งอวิชาคํานั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้ศิตรายกลิ่มสลักขึ้นคือจงละอวิชาจงขุดขึ้นมา 9. คําว่าอึงนั้นเป็นชื่อของความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธคํานั้นมีอธิบายว่า สุเมธเธอจงใช้ศัตรานำเอื่นขึ้นมาคือจงละความคับแค้นใจเนื่องมาจากความโกรธจงขุดขึ้นมาสิบคำว่าทางสองแพร่งนั้นเป็นชื่อแห่งวิจิกิจชา้าคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้ศัพท์ถากทางสองแพร่งคือจงละวิจิกิจชา้าจงขุดขึ้นมาสิบอ็ดคำว่า หม้อกรองน้ำด่างนั้นเป็นชื่อแห่งนิวรณ์หประการคือกามฉันทานิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความพอใจในกามพยาบาทนิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความขัดเคืองใจทีนมิทานิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความหดหู่และเสื่อมซึมอุทจักกุกกุ จ, จานิวรณ์สิ่งที่กั้นจิตคือความฟุ้งซ่านและร้อนใจวิจิกิจฉานิวรณ์ สิ่งที่กั้นจิตคือความลังเลสงสัยคำนั้นมีอธิบายว่าสุเมธเธอจงใช้ศัตรายกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นมาคือจงละนิวรห้าประการจงขุดขึ้นมาสิบสองคำว่าเต่านั้นเป็นชื่อแห่งอุปาทานขันหประการคือรู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปเวทนูปาทานขัน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 13. าคำว่าเขียงหั่นเนื้อนั้นเป็นชื่อแห่งกามาคุณห้าประการคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโพธะะที่จะพึงรู้แจ้งทางกาย ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดคำนั้นมีอธิบายว่าสุมเมธเธอจงใช้ศัตรายกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาคือจงละกาคุณห้าประการจงขุดขึ้นมา 14. คำว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นชื่อแห่งนั้นที่ราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินคำนั้นมีอธิบายว่า สุมเมธเธอจงใช้ศาสตราหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาคือจงละนันทิราคะจงขุดขึ้นมาสิบห้าคำว่านาคนั้นเป็นชื่อของภิกษุผู้เป็นขีณาศพคำนั้นมีอธิบายว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยเธอจงทำความนอบน้อมนาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัพสิทธิ์นี้แล้ว ท่านพระกุมาร ก, กัสปะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลวว่ามิกระสูตรที่สจบ 4. รัฐวินีตสูตร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 ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัธรรมพิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอที่พิกษุเพื่อนโภมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอัปิชชะกถาเรื่องความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษ และกล่าวสันตุทิฆาเรื่องความสันโดษแก่พิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกคาถาเรื่องความสังัดแก่พิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้เมคลุกคลีและกล่าวอสังสักขะคาถาเรื่องความเมคลุกคลีแก่พิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าววิริยารัมภาถา เรื่องการปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีละสัมปทาคาถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทาคาถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแกภิษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทากถา เรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าววิมุตติสัมปทาคาถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าววิมุตติญาณทัศนะสัมปทาคาถาเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาหารแกล้วกล่าปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุท้องถิ่นเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระบุญนามันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรีท้องถิน่นยกย่องอย่างนี้ว่า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 และกล่าววิมุติญาณทัศนะสัมปทาคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ให้โอวาดแนะนำชี้แจงให้เพื่อนโรมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาฐานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงขณะนั้นท่านพระสารีบุตรได้นั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่หน้าที่ใกล้ได้มีความคิดว่าเป็นลบของท่านพระปุณณมันตานีบุตร ท่านพระบุญนะมันตานิบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนรภมจารีผู้เป็นวินยูชนเลือกเฟนกล่าวยกย่องพรรณนาคุณเฉพาะพระพักของพระาศาสดาและพระาศาสดาก็ทรงอนุโมทนาการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านพระบุญนะมันตานิบุตรแล้วสนทนาปราสายกันสักครั้งหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ครุงราชครึกตามพระอธิยศัย แล้วจึงเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงครุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานิบุตรทราบข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงครุงสาวัตถีแล้วประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถี ปุณณะมันตานิบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ครั้งนั้นท่านพระปุณณะมันตานิบุตรจึงเก็บงำมเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังครุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาตบินตะกะเศรษฐีเขตครูงสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งอยู่ณที่สมควร ครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงพระปุณณะมัณฑนีบุตรให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเล้าใจให้อาถานแกล่วแล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาลำดับนั้นท่านพระปุณณะมัณานีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล่าแล้า ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคะถาแล้วได้ชื่นชมยินดีพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลูกจากอาสนะถวายอภิวาสกระทามประทักษิณแล้วเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อ พ, พักผ่อนในเวลากลางวันครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรพระปุณมนตานีบุตรที่ท่านสนเสริญอยู่เนืองเืองนั้น บัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเ้าใจให้อาหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีระถาแล้วท่านก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปสู่ป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตร รีบถือผ้านิสีธนะผ้ารองนั่งแล้วติดตามท่านพระปุณนมันตานิบุตรไปข้างหลังข้างหลังพอที่จะแลเห็นศีรษะกันครั้งนั้นท่านพระปุณนามัตานิบุตรเข้าไปในป่าอันทวันแล้วนั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรเข้าไปสู่ป่าอันทวันแล้วก็นั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเหมือนกัน เป้าหมายแห่งพรหมจันทร์ตามลำดับวิสุทธิเจ็ดครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณนามันตาในบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว จึงนั่งนาะที่สมควรได้ถามท่านพระปุญณมันตนิบุตรว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณนามันตนิบุตรตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิความหมดจดแห่งศีลหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้น ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฐิหรือข้อน yea ี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรณวิสุทธิ ความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยหรือข้อนี้หามิได้ itself, <esterol? S 1> ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งยานที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทางหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อ ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นทางดำเนินหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทนะัศนหรือข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือ ท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่า ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิจารณาวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เพื่อมักคามักขยาณทัศนวิสุทธิหรือเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิหรือเมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัศนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรกันเล่าท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพานศีลละวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือข้อนี้หามิได้จิตตวิสุทธิเป็นอนุปาธาปรินิพานหรือข้อนี้หามิได้ ทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทาปริิพานหรือข้อนี้หามิได้กังขาวิตรณาวิสุทธิเป็นอนุปาทาปริิพานหรือข้อนี้หามิได้มัคคามัคคยาณัชสนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปริิพานหรือข้อนี้หามิได้ปฏิปทาญาณัชสนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปริิพานหรือข้อนี้หามิได้ ญาทณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาธาปรินิพานหรือข้อนี้หามิได้ธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาธาปรินิพานหรือพระปุณณมันตานิบุตรตอบว่าข้อนี้หามิได้ท่านผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเมื่อผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิเป็นอนุปาธาปรินิพานหรือ ท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้เมื่อผมถามท่านว่าจิตวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หามิได้ทิฏฐิวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือมักคามัคคยานทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือ ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือเมื่อผมถามท่านว่าญาณทัศนวิสุทธิเป็นอนุปาทาปรินิพานหรือท่านก็ตอบว่าข้อนี้หาไม่ได้เมื่อผมถามท่านว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้เป็นอนุปาทาปรินิพานหรือท่านก็ตอบผมว่าข้อนี้หาไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ จะพึงเห็นเนื้อความของคําที่ท่านกล่าวแล้วนี้ได้อย่างไรท่านพระปุญณมันตนิบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติศีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาบริญพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาบริญพาณถ้าทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาบริญพาณ ก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาบริญิพานถ้าทรงบัญญัติทิฏวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาบริญิพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาบริญิพานถ้าทรงบัญญัติกังขาวิตรณะวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาบริญิพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่า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 ถ้าทรงบัญญัติญาณทัศนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาธาปรินิพานก็ชื่อว่าพึงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาธาปรินิพานท่านผู้มีอายุถ้าทำนอกจากธรรมเหล่านี้จะเป็นอนุปาธาปรินิพานแล้วปุตุชนก็จะพึงปรินิพานเพราะว่าปุตุชนเว้นจากธรรมเหล่านี้ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟัง คนฉลาดบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจความหมายแห่งท้อยคำได้ด้วยอุปมาโวหาร เ, เ, เ, เ, เปรียบเทียบวิสุทธิด้วยรถเจ็ดลัดท่านผู้มีอายุ เปรียบเหมือนพระเจ้าประเสนทิโกศนกําลังประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีเมื่อพระราชกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นที่เมืองสาเกตและในระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องต่อรถถึงเจ็ดลัดครั้งนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโกศนเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งพลัดที่หนึ่งที่ประตูพระราชวังเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งพลัดที่สอง จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลที่หนึ่งทรงรถพระที่นั่งผลที่สองเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลที่สาจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลที่สองทรงรถพระที่นั่งผลที่สามเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลที่สี่จึงทรงสละรถพระที่นั่งผลที่สาทรงรถพระที่นั่งผลที่สี่เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลที่ห้าจึงทรงสละรถพระที่นั่งผลที่สี่ ทรงรถพระที่นั่งพรรที่ห้าเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งพรรที่หกจึงทรงสละรถพระที่นั่งพรรที่ห้าทรงรถพระที่นั่งพรรที่หเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งพรรที่เจจึงทรงสละรถพระที่นั่งพรรที่หทรงรถพระที่นั่งพรรที่เจเสด็จไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งพรรที่เจ็ถ้าพวกมิตรอมมาตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ จะพึงทูลถามพระองค์ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จจากกรุงสาวัตถีถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพระที่นั่งพลัดนี้ผลัดเดียวหรือท่านผู้มีอายุพระเจ้าประเสนที่โคศนจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุพระเจ้าปเปเสนที่โคศนจะต้องตรัสตอบอย่างนี้ จึงจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องคือตรัสว่าเมื่อฉันกําลังอยู่ในกรุงสาวถีนั้นมีกรณียกิจด่วนบางประการเกิดขึ้นในเมืองสาเกตระหว่างกรุงสาวถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึงเจ็ดผลัดครั้งนั้นแลฉันออกจากกรุงสาวถีขึ้นรถพลัดที่หนึ่งที่ประตูวังไปถึงรถพลัดที่สองสละรถพลัดที่หนึ่งขึ้นรถพลัดที่สอง ไปถึงรถพลัดที่สาสละรถพลัดที่สองขึ้นรถพลัดที่สาไปถึงรถพลัดที่สี่สละรถพลัดที่สามขึ้นรถพลัดที่สี่ไปถึงรถพลัดที่ห้าสละรถพลัดที่สี่ขึ้นรถพลัดที่ห้าไปถึงรถพลัดที่หสละรถพลัดที่ห้าขึ้นรถพลัดที่หไปถึงรถพลัดที่เจสละรถพลัดที่หขึ้นรถพลัดที่เจ็ด ไปถึงประตูเมืองสาเกตด้วยรถพลัดที่เจ็ท่านผู้มีอายุพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้แลจึงจัดว่าตรัสตอบอย่างถูกต้องท่านพระปุณณมันตานิบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันศีลวิสุทธิมีจิตวิสุทธิเป็นเป้าหมายจิตวิสุทธิมีทิฏวิสุทธิเป็นเป้าหมายทิฏวิสุทธิ มีกลางขาวิตรณวิสุทธิเป็นเป้าหมายกลางขาวิตรณวิสุทธิมีมัคามขยานทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายมัคามขยานทัศนวิสุทธิมีปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายปฏิปทายาณทัศนวิสุทธิมียาณทัศนวิสุทธิเป็นเป้าหมายยาณทัศนวิสุทธิมีอนุปาทาปรินิพานเป็นเป้าหมาย ท่านผู้มีอายุผมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยแท้พระเทระทั้งสองรูป ก, กล่าวสรรเสริญคุณของกันและกันเมื่อท่านพระ ปุณณมันต an านีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรมจารีรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อว่าปุณณะแต่เพื่อนพรมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่ามันตานีบุตรท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏ ปัญหาอันลึกซึ้งที่ท่านพระปุณณมันตานิบุตรเลือกเฟ้นนำมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงอย่างพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระาศาสดาโดยท่องแท้จะพึงกล่าวแก้ฉนั้นเป็นลาบอย่างมากของเพื่อนพรมจารีทั้งหลายเพื่อนโรมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านปุณณมันตานิบุตร แม้หากเพื่อนพรมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านปุณณะมัตานิบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเสื้ผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาบมากของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาบอย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านปุณณะมัตานิบุตร เมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท water, ่านพระปุณณมันตานิบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนปรมจารีทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่เพื่อนพรมจารีทั้งหลายรู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานิบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ผมกาลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกผู้ทรงคุณคล้ายกับพระบรมศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อว่าสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรคาเปรียบเทียบเท่านี้คงไม่จําเป็นสําหรับกระผมนาอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏปัญหาอันลึกซึง้งที่ท่านสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึง้งตามอย่างพระสาวกผู้ได้สะดับแล้ว รู้ทั่วถึงคำสอนของพระบรมศาสดาโดยท่องแท้จะพึงถามเะนั้นเป็นลาบอย่างมากของเพื่อนโรมจารีทั้งหลายพเพื่อนโรมจารีทั้งหลายได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หาเพื่อนโรมจารีทั้งหลายจะเทิดทูนท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะเหมือนเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นได้นั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็เป็นลาบอย่างมากของท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาบย่างมากของผมด้วยผมได้ดีแล้วด้วยที่ได้พบเห็นได้นั่งใกล้ท่านสารีบุตรพระมหาหนาคทั้งสองรูปนั้นต่างชื่นชมพาสิทธิ์ของกันและกันดังนี้แลรัฐวินีตสูตรที่สี่จบ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 เมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้าก็จะเผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็จะเล่นเลอ่อเมื่อเล่นเลอ่อก็จะถูกเราทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านี้ฟูงเนื้อที่ถูกนายพรานจับ สี่ทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นเนื้อฝูงที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานปลูกไว้แล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเล่อเมื่อเล่นเล่ อ, อ, ลลอก็ถูกนายพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของนายพรานเนื้อไปได้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 ทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องงดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องงดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ําหมดสิ้นแล้วฝูงเนื้อฝูงนั้นก็มีร่างกายสู้พร้อมเมื่อมีร่างกายสู้พร้อมกําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป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 พิสูจทั้งหลายเนื้อฝูงที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเข้าไปในทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้และถึงเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้และเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้ละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้ เนื้อฝูงที่หนึ่งก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วควรหลีกไปอยู่ตามราวป่าจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ำหมดสิน้นเนื้อฝูงนั้นมีร่างกายสู้ผอม เมือ่อมีร่างกายสู้พผอมกําลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นอีกเนื้อฝูงนั้นพากันเข้าไปสู่ทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมือ่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลินเลอ่อเมื่อเล่นเล่อก็ถูกนายพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมือ่อเป็นเช่นนี้ แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจากไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จกไม่เล่นเล่อ เมื har, ่อไม่เล่นเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เล่นเล่อ เมื่อไม่เลินเล่อก็ไม่ถูกในพรานเนื้อทำอะไรๆ ไ, ได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นในพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าเนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีริษไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้เราไม่รู้ทั้งทางมาและทางไปของพวกมันทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นี้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 ทางที่ดีพวกเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงเมื่องดกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็หลีกไปอยู่ตามราวป่าแล้วจึงงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิงละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้อันหนึ่งเนื้อฝูงที่สามคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าเนื้อฝูงที่หนึ่งละถึงเมื่อเป็นเช่นนี้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 เมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นจะไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จกไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เล่นเล่อ เมื่อไม่เลินเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นแล้วจึงเข้าไปซุ่ม อ, ษษอาศัย อ, um อยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆทุ่งหญ้านั้นแล้วไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปยังทุ่งหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็ไม่เลินเล่อ เมื่อไม่เลิเล่ก็ไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นครั้งนั้นนายพรานเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าเนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีริษไม่ใช่สัตว์ธรรมดาและถึงนายพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาจะไปจับพวกมันได้เมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สามนั้น ก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานเนื้อไปได้ทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นแล้วไม่ควรเข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จกไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จกไม่เล่นเล่อเมื่อไม่เล่นเล่อก็จะไม่ถูกนายพรานเนื้อทาอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้น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 ครั้งนั้นพรานเนื้อกับบริวารคิดเห็นว่าเนื้อฝูงที่สี่นี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีริสไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้อันหนึ่งเราไม่ทราบทางมาและทางไปของพวกมันเลยทางที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้โดยรอบบางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้ พวกเขาจึงเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นแต่ก็ไม่พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาครั้งนั้นในพรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่าถ้าเราจะขืนรบกวนเนื้อฝูงที่สีให้ตกใจเนื้อเหล่านั้นที่ถูกเราทำให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทำให้เนื้อฝูงอื่นๆตกใจไปด้วย ฝูงเนื้อทั้งหลายคงจะไปจากทุ่งหญา้าที่ปลูกไว้จนหมดสิ้นทางที่ดีพวกเราควรวางเฉยในเนื้อฝูงที่สี่เสียเถิดในพรานเนื้อกับบริวารก็วางเฉยเนื้อฝูงที่สี่เสียเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่สี่จึงรอดพ้นจากอำนาจของในพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในคำเปรียบเทียบนั้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าทุ่งหญ้านั้นเป็นชื่อแห่งกามคุณห้าคำว่านายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าบริวารของนายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของบริวารของมารคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลาย